มีแต่ความรู้เลยลำพั ง, งจึงเป็นเคียนนั่นถ้ามีสติสตางเป็นเครื่องกํากับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้พ่อมีพูดคอยชักจูงมีพูดคอยรั้งคอยคอยเล่นคอยรั้งเหมือนกับรถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัยจะหมุนไปทางไหนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญา